กเรามาอบรมปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาเรื่องอื่นก็คือทำให้มีสติมีกายวีจิตใจให้เข้าเป็นเนื้อเป็นันเดียวกันทำอย่างไรเราจึงจะมีความรู้สึกตัวไปในกายไปในใจ เราก็ต้องประกอบการประกอบในเรียกว่าปฏิบัติลงไปไม่ต้องไปใช่เหุใชยผลหัวคิดไอเดียไอเกี่ยวหัวดีคิดดีไม่เกี่ยวมีแต่การกระทําเป็นส่วนตัวส่วนตัวใช้ได้ทันที เป็นงานเป็นการเป็นหลักเป็นหลักชีวิตหลักชีวิตจริงๆเริ่มต้นด้วยความรู้สึกตัวมาประกอบกับกายกับคิดใจปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติอยู่ทำอยู่ทับคือความรู้สึกตัว มีสติไปในกายในใจความรู้สึกตัวตอบง่ายๆคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็คือทั้งหมดแล้วทั้งกายทั้งใจทั้งเล่าความชั่วทั้งทําความดีทั้งทำกิจให้บริสุทธิ์เป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญา แล้วไม่ต้องไปเอาความยากความง่ายไม่ต้องไปเอาความผิดความถูกความได้ความเสียไม่ต้องเลยให้สันโดษให้พอยใจให้มีการกระทําตรงนี้ให้มากๆทํทำตรงนี้ให้มาก ๆ, อาๆเอากายมาให้เป็น นิมิตเป็นสร้างความรู้ความรู้สึกตัวนะ่มันเป็นความรู้เลื่อนๆล อ, นอยๆไม่ได้ต้องมามีนิมิตคือกายจึงจะเป็นความรู้สึกตัวที่เป็นกรรมไม่ใช่คิดรู้นนรู้อันนี้ไม่ใช่ตัวงรู้สึกตัวที่อยู่ในกายนะ อยู่ใน จ, ใจิตใจบางทีมันก็หลงกลยมันก็หลงใจใช่ไปในทางหลงวันนี้ใช้มันเป็นความรู้สึกตัวเป็นความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวที่ได้ตามรูปแบบของกรรมฐานตามหลักของสติปัฏฐานมันเป็นหลักที่ ปฏิเสธไม่ได้ถ้าปฏิเสธตรงนี้ก็เท่ากับปฏิเสธ ต, ตัวเองเมื่อปฏิเสธ ต, ตัวเองมันก็เลลือนๆทำให้เกิดปัญหาเราจึงมาประกอบสติมันจะเกิดขึ้นก็พอการประกอบไม่ใช่ไปท่องจำเป็นการประกอบออก จนเคยกินจนเป็นนิสัยจนเป็นปัจจัยในกายมีใจมีสติมีการกระทา ม, มีการปฏิบัติปฏิบัติก็คือทำเรื่อยๆให้ลู่รื่อยๆ้ามันไม่หลงก็รลู่รื่อยๆไป ความหลงมันมีความสุขความทุกข์มันมีมันเคยไหลเคยไหลไปไหลายอย่างแบ่งปันกันไปเยอะแยะก็จชุยเคใจไปหมดเลยรวมลงปฏิบัติเนี่ยมารวมลงปฏิบัติคือเอามารวมไวเอามากองไว้เอามาตั้งไวแม่มันจะหลงจะไหลไปทางอื่นก็ามาตั้งไว มาตั้งไว้ที่เก่ามาตั้งไว้ที่เก่าเรียกว่าปฏิบัติเรียกว่าอบรมปฏิบัติมีมีอยู่ขนาดเดียวกันแต่ว่าเป็นขาษาสมมุติที่มาพูดอบรมปฏิบัติทำทแท้ก็คือการเจริญสตินั่นแหละการเจริญสติการเจริญสติ มมก็ไม่เลื่อนลอยเห็นมีกายเอากายมาสร้างความรู้สึกตัวได้สาเร็จใ้ใจกาใจมาสร้างความรู้สึกตัวได้สาเร็จทำได้สาเร็จสาเร็จกลัวทำอย่างอื่นการปฏิบัติธรรมการเจริญเสติเป็นความสาเร็จทันที ไม่ต้องมีการประเมินไม่ต้องมอีข้อมูลอะไรเป็นการสำเร็จได้ทันทีรู้สึกตัวที่ได้เอากายมาเคลื่อนมาไหวรู้สึกตัวสำเร็จทุกครั้งสำเร็จทุกครั้งรู้ต่อต่อกันไปรู้ต่อต่อกันไปความรู้สึกตัวที่มันมีในกายในกิจเนี่ย มันก็จะเห็นมันก็จะมีความรู้สึกตัวทั่วไปนอกจากกายจากกิจแล้วที่เราเรียกว่ากายานุปัสนาปันก็จะรู้สิ่งที่ไม่เป็นอันเดียวมันจะเกิดอะไรขึ้นเช่นเวทนาเช่นความคิดเช่นธรรมเวทนาเป็นเรื่องของกายกายเป็นเรื่องของกายความคิดเป็นเรื่องของกิจ ส่วนทำมันรวมรวมเข้ากันทั้งกายทั้งจิตก็จะเห็นก็จะรู้จะเกี่ยวข้องเป็นส่วนเป็นหลักเป็นที่มันรวมแต่ว่าถ้าเก่งตรงกายตรงเวทนาตรงจิตแล้วทำก็ทำได้ง่ายทำอะไรที่มันรวมกันที่เกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจ เกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจเ็าเรียกว่าธรรมารมณ์เป็นความง่วงเมาหอ น, อนเป็นการมราคะกิเลสตัณหาพยาบาทโลภโกรธหลงเรียว่าธรรมารมณ์ที่มันบวกกันมันก็เป็นอื่นไปถ้าไม่หลง <c oughs> ถ้าไม่หลงตรงนี้แล้วก็กันเื่นก็ง่ายง่ายไปเรื่อยๆะ ง, ง่ายไปเรื่อย อย่าไปคิดว่ามันมีปัญหาความง่วงก็ไม่ใช่ปัญหาความคิดพุ่งสั่นความรังเลสงสัยความพยาบาทราคาหมาณทิฏฐิไม่ใช่เป็นปัญหามันให้บทเรียนมันเป็นประสบการณ์แก่ผู้ที่จเจริญสติกนะควนที่จะยิ้ยมรับ ยิ่มรับโชคก็ว่าได้เพราะมันเป็นการศึกษาตรงที่มันจะหลงตรงที่มันจะเป็นอื่นๆดนะ้วยล่ะเป็นการศึกษาจริงๆเป็นสิกขาเป็นไตรสิกขาไตรสิกขาก็อยู่ตรงนั้นแหละตรงที่มันไม่ใช่สติสติมันก็เป็นธรรมอยู่แล้ว สิ่งที่ทําให้หลงไปน่ะมันจะเป็นไตรสิกขาไตรสิกขามันก็เป็นศีลไปแล้วศีลมีอยู่ในความหลงรักษาคืนมาไม่ปล่อยไม่ไปไม่เป็นไปกับอะไรต่างๆจะมีศีลมันไม่ใช่นั่ ง, งหลับหูหลับตาจะมีศีลต่อเมื่อมันเป็นธรรมอรมณ์ต่อเมื่อมันมีกาย แสดงออกทางกายทางกิจถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับเราไปเรื่องวัวเรื่องควายเวลาใดควายมันมันจะไม่ไปตามโอวาทไม่ไปตามคำสั่งของเราเราก็ก็บอกมันอาศัยคำพูดอาศัย กิเลสอาศัยไม่เลียวอาศัยเชือ่อมันนะนั่นแหละมันเป็นเวลาใดที่เราจะโกรธใหครอยเราอดไ ม, ไม่ไม่ดไปโกรธทามันไม่ใดไปโกรธทามันไม่ได้ไปตีมันหรือที่มันจะแสดงออกทางที่ผิดผิด ถ้เราเดินไปไปเห็นทรัพย์ของคนอื่นวางอยู่ไปเห็นทรัพย์ของคนอื่นวางอยู่คิดว่าเราได้ของเขาดีใจไม่ใช่พอไปเห็นทรัพย์ของคนอื่นตกอยู่คิดสงสารเจ้าของเขา ก็เก็บรักษาเอาไปประกาศทายเจ้าของอมีศินแล้วแต่คิดว่าตัวเองเก็บได้อ น, นั้นไม่มีศินแล้วตอน น, นสินลตอนที่มันมันเห็นความโลภความอยากกลายเป็นความเมตตากลายเป็นความรู้สึกตัวเห็นเห็นอกเห็นใจแ <c oughs> ม้ก็ผิดสินทุกกรณี นั่นเลยว่าปฏิบัติธรรมรักษาศีลรักษาศีลรักษาตรงที่มันเจรผิตี่มันจะหลงหเห็นเราเจริญสติเนี่ยมันจะเป็นศีลตอนที่มันจะหลงรู้สึกตัวได้ก็บริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นก็ โคมใจตัวเองที่มันไม่เป็นอื่นไปแก้ไขตัวเองได้ได้นิสัยใหม่ๆเคยมีความโกรธกลายเป็นความเมตตากุณาเคยมีความหลงกลายเป็นความรู้ไปเป็นไปแบบนี้การปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่เราทําฟรีๆไม่รู้ไม่เห็นอะไรน้อยก็เห็นความรู้เห็นความหลง เราก็ตั้งต้นจากตรงนี้ถ้าหลุดก็หลุดตรงนี้ถ้าผ่านก็ผ่านตรงนี้ผ่านความหลงมาเป็นความรู้ผ่านทุกอย่างมาเป็นความรู้สึกตัวทำไมเราจึงผ่านได้พอเราสร้างความรู้ศึกตัวเป็นหลักเป็นฐานเป็นที่ตั้งก็เห็นอะไรต่างๆได้ฝึกฝนตนเองตลอดเวลา ได้ฝึกผลได้อบรมได้อบได้รมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันคว่าอบนี่ก็คือมันเนื้อมันดีกว่าที่จะไปทาไปปบไปเหมือนเขาทำรถนะแต่อบแล้วมันสุกดีเพราเขาพ่นใส่แล้วเขาเข้าลงอบมันซึมเข้าไป ที่เราอบรมเราก็มีกิยาจริงๆนั่งสร้างจังหวะเคยนั่งนานไม่ได้เอาไปมาก็อดเท่านั้นทนเทนี้เกิดนั่งได้เคยจีตใจไหลลุกลี้ลุกล้น ก, ก, ก, ก, กตั้งได้ใจเปราะใจบางก็เข้มแข็งขึ้นสิ่งที่มันเข้มแข็งมันก็มีอยู่ในความอ่อนแอ ใจอ่อนแอไม่สู้ทำได้ทำไม่ได้ไม่ได้หลงตรงนั้นได้ก็ไม่หลงไม่ได้ก็ไม่หลงทุกข์ก็ไม่หลงสุข ก, ก็ไม่หลงทำให้เข้มแข็งขึ้นมาเข้มแข็งไปเรื่อยๆโต ว, วันโตคืนไปเรื่อยๆแต่จะเป็นพรหมม่ยจรพรหมมัยจรก็จะโลนจะโลนขึ้นจะโญนขึ้น ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนะยิ่งไปเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ความรู้จิตสึกตัวจริงๆกับยิ่งยิ่งไมีสกมีสนะีเห็นกายเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจทําให้เกิดความเข้มแข็งไปเรื่อยๆ ได้บทเรียนได้ประสบการณ์ปฏิบัติรมการเจริญสติไม่แต่ บ, บทเรียนไม่แต่ประสบการณ์ไม่ใช่เหตุใช่ผลเรไปชนเราจริงๆไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนไม่ได้เพื <c> ่อ <oughs> ที่จะแก้ไว้ก่อนมันไปชนออก ไปชนเอาความหลง <c oughs> ไปชนเอาความทุกข์ไปชนเอาความสุขไปชนเอาอาการต่างๆแล้วก็ปฏิบัติคือเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวมาเป็นความรู้สึกตัวถ้ามันไม่มีอะไรก็รู้สึกตัวที่กายที่กายเคลื่อนไหวเดินจงกรมต้องเอาไว้ให้มันคิน ให้มันมากให้มีพลังแต่ไม่ตั้งไวง้ก่อนมันไม่มีพลังไม่ประกอบมันไม่มีพลังจึงจําเป็นจึงจําเป็นมากๆเราจะต้องประกอบต้องตั้งไว้มาเราจะยืนวันต้นไม้เราต้องได้จุดยืนในแรงเวียงเข้าไปไปฝัน มันมีหลักยืนถ้าเราได้ไม่มีหลักแม้มีแรงถ้าเราฟันไม่สำเร็จต้องมีที่ยืนมีจุดยืนการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันกรรมคือหลักกรรมฐานคือหลักจำเป็นต้องตั้งตั้งไว้ต้องมีการกระทาลู่ที่กายลู่ที่กาย หัดใหม่ๆนี่อาจจะไม่มีแรงที่จะไปลู้ที่กายเพราะไม่เคยฝึกไม่มั่นตั้งไม่มั่นวิธีกายก็อาจจะลงไปก็จะตั้งไว้ก็ลงไปตั้งไว้ก็ลงไปเอาไปมาความลงมนั่นแหละมันจะเป็น บทเรียนที่ทําให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาหลวงพ่อมากจะบอกว่าให้ให้หัวเลาะความหลงหัวเลาะความทุกข์หัวเลาะความโกรธอาศัยแนวร่วมสิยงแวดล้อมกับตัวเองสร้างสียงแวดล้อมให้กับตัวเองถ้าไม่รู้จักสร้างสียงแวดล้อมให้กับตัวเองก็จะ ชนเก็บปวดบางอย่างมันสุกก็สุกไปเลยแต่มันสุกเห็นมันสุกหัวโลความสุขหัวโลภความทุกข์มันเป็นการเบาๆผิวๆเผินๆเหมือนกระจายน้ำหนักกระจายน้าหนักไม่ให้หนักสมมติน้ำหนักร้อยเอร์เซนเอาวิธีกระจายกว่าร้อยเปอร์เซ็์ไม่ให้ลงที่เดียวกัน ให้มันเฉลีย่ยการเฉลีย่ยความหลงการเฉลีย่ยความสุขความทุกข์ก็คือความรู้สึกตัวนะแล้วก็สิ่งแวลอ้อมความเพียรความอดทนความลักษณะต่างๆจะเป็นความคิดไป สู้กับความคิดมันทุกแล้วก็เห็นบันทุกมันคือคือความคิดบันทุกเอาความคิดอหัวโลคุ้มทุกเนื้อในเนื้อมันในมันมันมีเนื้อมันในมันไม่ใช่ให้มันชนกันเลยพรมันหลงก็ ในความหลงมันก็หน้าหัวโละความหลงมันดูแลของมันไปก็เจริญสติมันมีถ้าจะว่าเทคนิคหรืออะไรก็ได้ยังได้อารมณ์กรรามาฐานได้หลักได้อารมณ์ต้องมีอารมณ์นะบลงต้นก็กายานุปัฏนา เวทนาโนบัสนาจิตานุปัตนาธรรมานุปัสนาเป็นหลักหลักปลดปล่อยหลักหลุดหลักแก้เงื่อนไขที่แก้ออกันไ่ที่แก้เอาออกแก่กันนั้นเครื่องโยนต์กลไก่บ้านเรือน อัตรกรรมศิลปรกรรมที่มันผิดแก่ถ้าผิดเราไม่ไม่แก้ไม่เป็นมันก็ไม่เป็นช่างไม่ได้เป็นศิละปะไม่ได้เป็นปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติคือมันแค่เป็นมันเตียนเป็นมันทำเป็นมันหลงเปลี่ยนเป็นไม่หลงเป็นความรู้สึกตัวนะนะแก่เปลี่ยนมันทุก รู้สึกตัวเปลี่ยนเป็นความรู้สึกตัว่แก้แก่เป็นเปลี่ยนเป็นไม่ใช่มันทุกข์เราไม่รู้จะแก้ไม่รู้จะเปลี่ยนก็ให้เข้าถึงเนื้อถึงตัวเจ็บปวดไปไม่ใช่ปฏิบัติทำมันดีดีมันดีดีเหมือนคนหัดจักหัดสาน ตั้งต้นเราเองเป็นจักตอกเป็นศารเป็นเมื่อมันผิดแค่เป็นเขาก็รู้จักว่าภูมิใจก็ททำมันขึ้นมาเขาลือมันออกเขาจะสร้างอะไรบางทีมันแตกฉานทำอะไรมันก็แตกฉานอัตรกรรมเนี่ยสารไปเป็นตัวหนังสือ ย่อมตอกลงไปยิ่งเห็นชัดเจนบอกถึงลักษณะอะไรลวดลายอย่างไรมันก็แตกฉานถ้ามันแตกแานแบบนั้นสอนกันไม่ได้เขาหัดเขาเองแตกฉานไปการปฏิบัติท้ามันแตกแาน แตกขันในกายในใจไม่มีที่รี้ที่หลับเขาเรียกว่าอารมณ์เรียกว่าหลักกรรมฐานอารมณ์ของกรรมฐานแต่อารมณ์ของกรรมฐานมันก็มีจริงๆเข็นธาตุกรรมฐานธาตุกรรมฐานขันธ์ห้านะมันได้หลัก เห็นรูปเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณเห็นธาตุดินน้ำลมไฟประกอบกัดกายเป็นดุนเป็นก้อนเป็นขันเป็นความรู้อะไรได้เป็นอายกาศเป็นวิญญาณธาตุเมื่อมีธาตุก็มาถานมีขันหน้าบวกก็แล้วก็เป็นดุนเป็นก้อนเป็นก้อนนั่นเอง ในหลักถ้าจะลือ้อเธอจะลื้อเพื่อทําประโยชน์เช่นลื้ออะไรประโยชน์อะไรเช่นความโกรธเช่นความทุกข์ความหลงความเจ็บไข้ได้ปวดความเจ็บไข้ได้ป่วยลือล้อหรือธาตุแยกธาตุแยกกรูปแยกนาม แยกรูปแยกนามออกให้เป็นเวทนาดุลลวน่นไม่มีอุปทานไม่มีสุขไม่มีทุกข์ถ้าเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ของเวทนาดุลลุน่นไม่มีอุปทานไม่เป็นผู้สุขไม่เป็นผู้ทุกข์หรือว่าได้อารมณ์ได้หลักได้หลักลื้อถอน กองโลภกองนามได้หลักได้ฐานสิ่งที่จะทําและความชั่วสิ่งที่จะทําความดีสิ่งที่เหนือความดีความชั่วเหนือบุญเหนือบาปเหนือสุขเหนือทุกตรงที่มันเหนือมันก็มีอยู่ตรงที่มันต่ํามันก็แม่ เรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาเนี่ยมันล่วงพ้นพาวะเดิมๆตะกอนหลงก็หลงเต็มตัวทุกข์ก็ทุกข์เต็มตัวทุกข์ร้นๆนโกรธร้นนรอยเปอร์ซนคือความโกรธทุกข์ร้อยเปอร์ซหลงร0อยเปอร์เ็หัวรอร้องไห้ อ, scalable. อันนี้ความหลงความทุกข์ไม่ไม่เป็นตัวเป็นตนไม่มีร้อยเปร็นก็มอบให้ความหลงมองผ่าความทุกข์แื่มันเป็นทุกข์ก็เป็นปัญญาเป็นปัญญาเป็นปัญญาความทุกข์ไม่ใช่เปลี่ยนไม่ให้มันทุกข์แต่ความทุกข์มันเป็นปัญญาความสุขมันก็เป็นปัญญา ความหลงมันก็เป็นปัญญาความโกรธก็เป็นปัญญาปัญญาก็มีอยู่ในลักษณะแบบนี้กรรมฐานมันไปแบบนี้เป็นการฉลงุงเป็นการสิ ก, สกขาใจสิกขามันเป็นหมวดเป็นหมู่มันเป็นหมวดเป็นหมู่ที่มีการเกี่ยวข้องกัน ถ้าเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาก็เป็นฝ่ายอกุศลถ้าเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงก็เป็นฝ่ายอกุศลมันก็มีให้แก้กันอยู่ถ้าไม่หลงก็ไม่รู้ถ้าไม่ทุกข์มันก็ไม่ไม่ทุกข์ถ้ามีเกิดไม่แจไม่เจ็บไม่ตายมันก็ไม่ไม่เกิดไม่เจ็ไม่เจ็บไม่ตายแล้วก็มองชีวิตแบบไม่จน เริ่มต้นตั้งแต่เราสร้างจังหวะท่างสตินะไม่หลงก็ไม่รู้นะไม่หลงก็ไม่รู้ไปเลยไปไหนใะนสุขก็เห็นสุขในทุกข์ก็เห็นทุกข์ไปเลยเลยในกายมันก็เห็นกายเวทนามันก็เห็นเวทนาแต่ค่อนมันเป็นตัวเป็นตนอยู่กับกายมันเป็นตัวเป็นตนอยู่กับเวทนามันเป็นตัวเป็นตนอยู่กับความคิด มันเป็นตัวเป็นตนอยู่กับธรรมเป็นอารมณ์เกิดธรรมอารมณ์เกิดความพอใจไม่พอใจเมื่อมีการศึกษาประกอบถอนความพอใจความไม่พอใจออกไม่แต่ตัวรู้ตัวเห็นเข้าไปแล้วก็ไปแบบนี้การปฏิบัติธรรม ไม่ใช่ไปคิดเอาเหตุเอาผลไม่ไปเอาได้เอาเสียไม่ใช่ไปเอาผิดเอาถูกมันเห็นไปแบบนี้นะปฏิปิธรรมหลักก็มีตรงๆรล้วนล้วนกายสัพสัพก็กายไม่ใช่สัตว์บุกคนนลตนตนเราเขามันก็มันก็ไปแล้วมันก็เปลี่ยนไปมันก็พ้ไป เขาไปดูเขาไปเห็นเห็นแล้วมันก็จบเป็นตอบตอบตอบครั้งเดียวเห็นครั้งเดียวจบไปตลอดไม่ไม่เป็นการบ้านไม่เอากายมาเป็นการบ้านมาเป็นสุขเป็นทุกข์พ ก, กายไม่มีเป็นสุขเป็นทุกข์พวเวทนาไม่มีไม่มีการบ้านตรงนี้ ผ่านไปได้ผ่านไปได้ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนอยู่ในความคิดจนหอบพิวตัวเองความคิดพาให้เป็นสุขเป็นทุกข์ความคิดพาให้ลักให้ชังความคิดพาให้พอใจไม่พอใจไม่มีแล้วบ่ะความคิดประเภท น, นั่นจบกันทีที่จะมาหอบพิวเราไปให้ลักให้ชังให้เกิดปัญหาจากความคิด เรียกว่ากิจ่งกิดมันก็ต้องคิดมันก็ต้องรู้อะไรอ้รแล้วมันรู้อะไรมันก็ไม่ใช่รู้เถื่อนเถือ น, อนมันก็มีกิตที่มันคิดเป็นมันบวกกันเป็นกลายเป็นเวทนาเป็นคิดเป็นธรรมเข้าไป ไปเห็นลูกเหนน้ำก็บวกกันอกีกก็เห็นชัดเข้าไปเห็นเงื่อนเห็นไขมันเป็นอารมณ์มันเป็นทางไปทางลูกความรู้สึกตัวกอไปดูไปเห็นเข้าไปศึกษาไปถลงุงไปย่อยไปแยกไปแยกออก เป็นปัญญาปัญญาเนี่ยคือรอบลู้ลู่รอบก็ชื่อว่าปัญญาแล้วก็ปิดแล้ววงเล็บปิดแล้วไม่มีอีกแล้วถ้าเป็นปัญญาจบลงที่ปัญญาตั้งแต่เบื้องต้นท่อมกลางได้ที่สุด ัญญาก็ได้จากการศึกษาได้จากการบทเรียนที่มีการกระทําที่มีการประกอบเหตุเราเจริญสติเนี่ยนะเรก็ประกอบก็มีความรู้สุวตัวอยู่กับกายจริงๆเรื่องของกายก็มีมากมันแสดงออกมีมากจริงๆทั้งสุขทั้งทุกข์ ความสุขความทุกข์เราก็เห็นทุกครั้งที่มันสุขที่มันทุกข์เกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจที่มันเป็นตัวเป็นตนก็รูปลู่อันเดียวตอบครั้งเดียวไม่ใช่ตอบคนละแบบตอบครั้งเดียวคือรูปสึกตัวคือรูปสึกตัวรูปสึกตัวรูปสึกตัวเนี่เป็นตัวนำแต่เป็นยาโอเป็นยาแหนโบราณยาต้มก็ต้องเป็นยาหัวเป็นตัวนํา ส่วนดนดินก็เป็นส่วนประกอบแต่ตัวนำจริงคือยาหัวหรืออ้อยดำแต่ประเภทยาต้มทั้งทั้งมวนทั้งหมดนะตัวนำจริงอีคือยาหัวอ้อยดำน้องๆก็เอาอันอื่นมาประกอบน้องก็นำได้สาเร็จมีคุณภาพ ในคุณภาพถ้าขาดยาหัวอ้อยดําไม่เป็นตัวนำเนาะยาขนาดอื่นๆก็ไม่ค่อยจะมีคุณภาพหลักของสมุนไพรหลักของชีวิตเราก็เปิดกันมนตัวนํามีตัวรูปเป็นตัวนําตั้งต้นตัวรูปเป็นตัวนํา แล้วก็พาไปให้เกิดคุณภาพเห็นแต่ก่อนไม่ค่อยมีประโยชน์กายใจของเรานะไม่ค่อยจะได้ประโยชน์จากมันหรืออาจจะเป็นโทษซะมากกว่าพอมีสติเข้าไปมันกา น, นำโทษกลายเป็นประโยชน์ กลายเป็นประโยชน์เช่นจำพวกยาพิษต่างๆเมื่อมาบวกกันเข้ามันก็กลายเป็นประโยชน์เช่นลำโพงเมื่อเรามากินเฉพาะตัวมันไม่มีตัวยานําก็กลายเป็นบ้าเพี้ยนไปทนลำโพงเรามาเป็นส่วนประกอบอื่น คือเป็นอาหารที่เป็นเมี่ยงที่มีรสชาติดีเช่นมะโกอ่อนใบมะละกอถ้าถ้ากินเฉพาะใบมะละกอมันก็ขมฝื่กินแต่เพาะมะโกมันก็ฝาดถ้าเอาม อเอามาหอกับใบ ม, มาและกอเอาไปกี้มปลาล่กลายเป็นเมี่ยงมัดไปเลยรสชาติไปเลยเนาะชีวิตเราก็งมือนกันบางทีนี่เราจะไปกลัวเลยกลัวอะไรบางทีเรากลัวอะไรหลายอย่างในตัวเรากลัวเจ็บกลัวปวด กลัวร้อนกลัวหนาวสู้หนาไม่ได้เป็นคนอ่อนแอเลือดน้อยบางทีมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกกลัวปวดหลังปวดเอวโครงสร้างไม่ดีกระดูกไม่ดีอะไรก็คิดไปนโกกีโรคประจําตัวยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําอะไรก็กลัวไปแล้วกันบางทีไม่ไม่น่ากลัว ยิ่งความโกรธยิ่งความทุกข์เนี่ยยิ่งเป็นบทเรียนอย่างดีนะความหลงยิ่งดีความหลงความโกรธความทุกข์เนี่ยทําให้เป็นพระพุทธเจ้าทําให้เป็นปัญญาได้อย่าไปกลัวอะไรในชีวิตของเราเขาขู่เฉยๆกิเลสพันหตัญหาร้อยแปดฟังดูแล้วนะบางทีก็พูดไปเลย พุทธิราชิเลศพันห้าตันหาร้ยแปดได้มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นล่ะคนอื่นไม่ไม่มีปัญญาเอาไปขู่กันบางทีก็แบหมดสมัยแล้วหมดสมัยของความเป็นพระอาหารหันแล้วะเห็นพระพูดจ้ะเน่นาศาสนาพุทธมันหมดไปแล้ว เ้าก็ว่ากันไปเขาก็หาส่วนมาประกอบมาล้างมาทำลายก็ไมยเข็น <c oughs> <c oughs> ไปไประชุมไปไประชุมกับเจ้าหน้าที่กรงการศาสนาเขาก็เขาก็ไปพูดกันนั่ะศาสนราจ า, าตย ทำยังไงจึงจะสร้างศาสนาญายาเรา่ามีคำถามของพระผู้ใหญ่ถามกรมการศาสนาะว่ากรมการศาสนานี่จริงจังขนาดไหนกับพุทธศาสนาะพอเอรอาจังถามว่าเพราะว่าเช่นอิสลามอิสลามเนี่เขาไปหัด ชาอไปศาสนาของเขารัฐบาลจัดงบประมาณให้จัดหมอไปดูด้วยนายแพทย์ตามไปดูออกข่าวโครมไปต้องประเทศจัดงบประมาณให้ไปแต่พุทธเนี่ยไม่เห็นจัดให้เลยไปกราบไปเสวงบุญที่ประเทศอินเดียสังเวชนิยสถานไม่มี กรมศาสนาไม่มีรัฐบาลจัดกบ ป, ประมาณให้เลยจะไปก็อยากไปก็ไปไม่ได้จริงขนาดไหน อ, อัธิบุรีกรมการศาสนาะเราก็ถามกันไปถ้าจะพูดถึงการศึกษาโรงเรียนปโนะ กับโรงเรียนมหาวิทยาลัยสองแห่งค่าค่าหัวหรือนักสอนศาสนาเมื่อสอนศาสนาเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรสัตบุรุษเขาชั่วโมงละสามรอยบาทถ้าเขาไปพูดเรื่องศาสนาอิสลามเขาเรียกว่าวิทยากร แต่ว่าเขาเรียกว่าสัตบุรุษที่สอนศาสนาชั่วโมงละสามรอยบาทแต่นักสอนศาสนาไม่มีชั่วโมงละสามรอยบาทงั้นเขาหัวนักเรียนพ่อนะนักเรียนมหาวิทยาลัยสองแห่งไม่มีหัวครึ่งต่อครึ่งกับพอนะาอนะเขาเขาก็ท้ากันไป าศาสนาญาติจเรียกเขาคิดไปคิดไปโอ้ถ้าไปคิดแบบนั้นการเมืองอะไรต่างๆโอ้ยมนันวุ่นวายอย่าไปคิดมันพวกเรามาเอาเนี่ยมาปฏิบัติธรำเนี่ยไปคิดทํำไมไปคิดแบบนั้นเอามาเขิดมาแย่งยิงการเมืองทวนี่ยิ่งไปกันใหญ่เอามาส่วนตัวเนี่ยมาสร้างตง๊ะเร่มามีสติไม่สัมปชัญญะอย่าอย่าไปให้มันหลงตรงนี้ถ้าไม่หลงตรงนี้ห่อโอ้ย นี่แหละสาสนท า, ายาตยสาสนท า, ายาตยเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าท่านเอไม่มีทางที่จะทำความชั่วไม่มีทางที่จะเบียดเบียนตนไม่มีทางที่จะเบียดเบียนคนอื่นเอากายเอาใจมาทำความดีเอากายเอาใจมาลบความชั่วเอากายเอาใจของเรามาทาความดีก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่ใช่รั้ต่ธรรมนูนไม่ใช่เอากายมาแล้วความชั่วก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจริงๆเรามาตั้งต้นกันตรงนี้อย่าไปยุ่งจับต้นสายไปเหตุปุ่นวายไปหมดเลยตรงั้นการศึกษาก็เหมือนกันมาเริ่มต้นตรงนี้กันจะทำยังไงเราก็มีเท่านี้ เท่านี้เราก็ทำแบบมีหลักมีฐานมั่นคงจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนไม่หวั่นไหวเลยนะจริงๆคิชีวิตมันต้องเป็นอย่างนี้นเนื้อเกิดเนื้อเจ่เนื้อเจ็บเนื้อตายทำรายความโลกคโกรธคมหลงลงได้บ้างนะลงได้บ้างหรือหมดไป มันก็ท่า่ายแล้วจะไปยอมมันปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงคลองกายคองใจเรานี่ต้องเป็นเรื่องรีบด่วนกลัวอย่างอื่นอย่าไปคิดเรื่องโน้นเรื่องรีบด่วนมาอยู่ตรงนี้มันท่าทายเราความหลงมันท่าทายความรู้ความทุกข์มันท่าททยความไม่ทุกข์ความโกรธมันท่าทายความไม่โกรธ ความวิตกของบนเศร้าหมองมันท่าทายชีวิต ท, ที่ปกติชีวิต ท, ที่ประพัดสนชีวิต ท, ที่บริสุทธิ์นี่เราทำได้ทันทีเลย <c oughs> ไม่เกี่ยวกับคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นเลยมาสร้างเสด็จยกมือเคลื่อนไหวลู่สึกตัวลู่สึกตัวเนี่ยเมื่อทำตัวนี้ได้แล้วนแเราก็ไปดิสลับภาพชีวิตของเราก็จบซะมันจบลงนะ เรียกว่าปฏิปิธรรมเริ่มท้นจากตรงนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็เกิดจากตรงนี้ใม่ใช่ไปทำอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เขาก็กังวลเรื่องศาสนาทายาทจะไม่มีเพ่าว่าการศึกษาภ า, บาคบังคับมสามมหเรียนฟรีเมื่อ ลูกหลานเรียนจบโมหกก็เป็นอายุสิบแปดปีแล้วไม่มีโอกาสบวชเป็นเนรต่อไปนาคหลวงก็จะไม่มีนาคหลวงต้องได้ปัหาบทเรียนเก่าตั้งแต่ก่อนยังไม่บวชเป็นพระแต่นี่คนก็ไม่ได้เรียนเป็นเนนแล้วก็คือเอาแบบนี้มาคิดแบบนี้กันหาสาธารณะทายาทไม่ได้เหมือนสมัยก่อน ต้องไปเอาเด็กเอาลูกแาวเขามาบวชมาเรียนกันไปเอามาเรียนกันโอ้ยพวกเราก็พบหลวงพ่อเทียนเมื่ออายุสามสิบปีหลดศาสนาญาตาติเกิดจากการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เกิดจากรูปแบบนเกิดจากปฏิบัติธรรม ไม่ใช่นบวดเสอไปเป็นฆราวาสญาติโยมอุบาสิากาเห็นไหมนาถวาิจิกาเศรษฐีนางมานางวิสาขามหาบาสิกาหลายศาสนาทายาทของพระพุทธเจ้าศาสนาทายาทของพระเจ้าถ้าจะประวัติของสมณเณรก็มีราหุนเณรสังกิต จ, จะสมณเณรเราหุนสมณเณร ก็มีไม่มากส่วนมากบรรลุธรรมช่วงอายุสามสิบสี่สิบปีอายุสามสสี่สิบปีได้บรรลุธรรมมากกว่าอายุช่วงอืง่นเท่าไรก็ไม่เป็นไรถ้ามีสติปฏิบัติจเจริญสติสัพพชฌานี่แคะหลักมันอยู่ตรงนี้ต้โต้มันอยู่ตรงนี้มั่นใจมากมากอยู่ตรงนี้แน่นอน การที่ศึกษาเข้าถึงศานะสานาศาสนาธรรญาตเป็นพุทธบริษัทจิงกิจอยู่กับการปฏิบัติธรรม